ธรรมัทธิติยานันิเทศแสดงธรรมทธิติยานปัญญาในการกำหนดปัจจัยชื่อว่าธรรมทธิติยานเป็นอย่างไรคือปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าอวิชชาเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นไปเป็นที่ตั้งแห่งนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งกรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นที่ตั้งแห่งความประกอบไวเป็นที่ตั้งแห่งความผัวพัน เป็นที่ตั้งแห่งสมุทัยเป็นที่ตั้งแห่งเหตุและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของสังขารทั้งหลายด้วยอาการก้าวอย่างนี้อวิชชาจึงเป็นปัจจัยสังขารเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมมัตธิยานปัญญาในการกําหนดปัจจัยว่าในอดิตการก็ดีในอนาคตการก็ดี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 สังขารเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมติติยานปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าสังขารเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของนามรูปนามรูปเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้น และเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของสลายตนะสลายตนะเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของผัสสะผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของเวทนาเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของตันหาตันหาเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของอุปาทาน ปุปาทานเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของภพภพเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของชาติชาติเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของชราและมรณะด้วยอาการเก้าอย่างนี้ชาติจึงเป็นปัจจัยชราและมรณะเกิดขึ้นเพราะปัจจัย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 สังขารเกิดขึ้นเพราะเหตุแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะเหตุชื่อว่าธรรมมัทธิติยานปัญญาใ น, นการกำหนดปัจจัยว่าในอดีตการก็ดีในอนาคตการก็ดีอาวิชาเป็นเหตุสังขารอาศัยเหตุเกิดขึ้นแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะเหตุชื่อว่าธรรมมัทิติยาน ปัญญาในการกําหนดปัจจัยว่าสังขารเป็นเหตุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะเหตุวิญญาณเป็นเหตุนามรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุนามรูปเป็นเหตุสลายตนะเกิดขึ้นเพราะเหตุสลายตนะเป็นเหตุผัสสะเกิดขึ้นเพราะเหตุผัสสะเป็นเหตุเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุเวทนาเป็นเหตุตัณหาเกิดขึ้นเพราะเหตุตัณหาเป็นเหตุ อุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุอุปาทานเป็นเหตุภพเกิดขึ้นเพราะเหตุภพเป็นเหตุชาติเกิดขึ้นเพราะเหตุชาติเป็นเหตุชราและมรณะเกิดขึ้นเพราะเหตุแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะเหตุชื่อว่าธรรมติติยานปัญญาในการกาหนดปัจจัยว่าในอดีตการก็ดีในอนาคตการก็ดี ชาติเป็นเหตุชราและมรณะเกิดขึ้นเพราะเหตุแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะเหตุชื่อว่าธรรมมัติติยานปัญญาในการกําหนดปัจจัยว่าอวิชชาอาศัยปัจจัยเป็นไปสังขารอาศัยอวิชชาเกิดขึ้นแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นชื่อว่าธรรมมัติติยานปัญญาในการกําหนดปัจจัยว่า ในอดีตการก็ดีในอนาคตการก็ดีอวิชชาอาศัยปัจจัยเป็นไปสังขารอาศัยอวิชชาเกิดขึ้นแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ตางก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นชื่อว่าธรรมมทธิติยานปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าสังขารอาศัยปัจจัยเป็นไปวิญญาณอาศัยสังขารเกิดขึ้นวิญญาณอาศัยปัจจัยเป็นไป นามรูปอาศัายวิญญาณเกิดขึ้นนามรูปอาศัายปัจจัยเป็นไปสลายตนะอาศัยานามรูปเกิดขึ้นสลายตนะอาศัายปัจจัยเป็นไปผัสสะอาศัสายสลายตนะเกิดขึ้นผัสสะอาศัายปัจจัยเป็นไปเวทนาอาศัยผัสสะเกิดขึ้นเวทนาอาศัยปัจจัยเป็นไปตันหาอาศัายเวทนาเกิดขึ้น ตันหาอาศัยปัจจัยเป็นไปอุปาทานอาศัยตันหาเกิดขึ้นอุปาทานอาศัยปัจจัยเป็นไปภพอาศัยอุปทานเกิดขึ้นภพอาศัยปัจจัยเป็นไปชาติอาศัยภพเกิดขึ้นชาติอาศัยปัจจัยเป็นไปชราและมรณะอาศัยชาติเกิดขึ้นแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น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 ปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณเกิดขึ้นเพราะปัจจัยวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปเกิดขึ้นเพราะปัจจัยนามรูปเป็นปัจจัยสลายตะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยสลายตะเป็นปัจจัยพัสสะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยพัสสะเป็นปัจจัยเวทนาเกิดขึ้นเพราะปัจจัยเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาเกิดขึ้นเพราะปัจจัย ตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานเกิดขึ้นเพราะปัจจัยปูปทานเป็นปัจจัยภพเกิดขึ้นเพราะปัจจัยภพเป็นปัจจัยชาติเกิดขึ้นเพราะปัจจัยชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแม้ธรรมทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมมัธิติญาณปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าในอดีตการก็ดี ในอนาคตการก็ดีชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมทิติยานในกรรมพบก่อนความหลงเป็นอวิชชากรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นสังขารความติดใจเป็นตันหาความยึดมั่นเป็นอุปาทานเจตนาเป็นพบ ทำหประการนี้ในกรรมภพก่อนย่อมเป็นไปเพราะปัจจัยแห่งปฏิสนธิในภพปัจจุบันนี้ในภพปัจจุบันนี้ปฏิสนธิเป็นวิญญาณความก้าวลงเป็นนามรูปภาษาทะเป็นอายตนะส่วนที่ถูกต้องเป็นผัสสะการสวยอารมณ์เป็นเวทนาทำห้าประการ น, นี้ในภพปัจจุบันย่อมเป็นไปเพราะปัจจัยแห่งกรรมที่ทําไว้ในภพก่อน เพราะอายตนะทั้งหลายในภพนี้สุกรอบความหลงเป็นอวิชชากรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นสังขารความติดใจเป็นตันหาความยึดมั่นเป็นอุปาทานเจตนาเป็นภพธรรมห้าประการนี้ในรามภพนี้ย่อมเป็นไปเพราะปัจจัยแห่งปฏิสนธิในอนาคตการปฏิสนธิในอนาคตการเป็นวิญญาณความก้าวลงเป็นนามรูป ภาษาทะเป็นอายตนะส่วนที่ถูกต้องเป็นภาษะการสวยอารมณ์เป็นเวทนาทำห้าประการนี้ในพบปัจจุบันในอนาคตการย่อมเป็นไปเพราะปัจจัยแห่งกรรมที่ทำไว้ในพบนี้พระโยคาวจรย่อมรู้ย่อมเห็นย่อมทราบชัดย่อมรู้แจ้งสังเขปสีการสามปฏิจจสมุบาทอันมีสนทิสาม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 สมัญญาญาณนิเทศแสดงสมัญญาญาณปัญญาในการย่อทำทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันแล้วกําหนดไว้ชื่อว่าสมาสัญญาญาณเป็นอย่างไรคือพระโยคาวจรกําหนดรูปทุกอย่างทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ตามเป็นภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตาม เลวก็ตามปราณีก็ตามมีในที่ไกลก็ตามมีในที่ใกล้ก็ตามโดยความไม่เที่ยงการกำหนดนี้ชื่อว่าสัมมาสนญาณอย่างหนึ่งกาหนดโดยความเป็นทุกข์การกำหนดนี้ชื่อว่าสัมมสนญาณอย่างหนึ่งกาหนดโดยความเป็นอนัตตาการกาหนดนี้ชื่อว่าสัมมาสัญาณอย่างหนึ่ง พระโยคาวจรกำหนดเวทนาสัญญาสังขารพระโยคาวจรกำหนดวิญญาณทุกอย่างทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ตามเป็นภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามเลวก็ตามประณีตก็ตามมีในที่ไกลก็ตามมีในที่ใกล้ก็ตา ม, ม, ตามโดยความไม่เที่ยงการกำหนดนี้ชื่อว่าสัมมสณญาณอย่างหนึ่ง กำหนดโดยความเป็นทุกข์การกำหนดนี hmm. oh, ้ชื่อว่าสัมมันญาญอย่างหนึ่งกำหนดโดยความเป็นอนัตตาการกำหนดนี้ชื่อว่าสัมมสนญาญอย่างหนึ่งพระโยคาวจรกำหนดจักขุทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยความไม่เที่ยงการกำหนดนี้ชื่อว่าสัมมสนญาญอย่างหนึ่งพระโยคาวจรกำหนดชราและมรณะทั้งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจ <karena S ang TA> <az Matthew mond son> ุบันโดยความไม่เที่ยงการกําหนดนี้ชื่อว่าสัมมสชญาญอย่างหนึ่งกําหนดโดยความเป็นทุกข์การกําหนดนี้ชื่อว่าสัมมัชญาญอย่างหนึ่งกําหนดโดยความเป็นอนัตตาการกําหนดนี้ชื่อว่าสัมมสชญาญอย่างหนึ่งปัญญาในการย่อแล้วกําหนดว่ารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันชื่อว่าไม่เที่ยง เพราะมีสภาวะสิ้นไปชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะมีสภาวะเป็นภัยชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะมีสภาวะไม่มีแก่นสารชื่อว่าสัมมสนญาณปัญญาในการย่อแล้วกำหนดว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปัญญาในการย่อแล้วกำหนดว่าจาักขุชราและมรณะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน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 เสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาชื่อว่าสัมมาาัชนญาณปัญญาในการย่อแล้วกําหนดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปัญญาในการย่อแล้วกําหนดจักขุชราและมรณะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันว่าไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยตนเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา เสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาชื่อว่าสัมมะชนญาณปัญญาในการย่อแล้วกาหนดว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะก็ไม่มีชื่อว่าสัมมะชนญาณปัญญาในการย่อแล้วกาหนดในอดีตการก็ดีในอนาคตการก็ดีว่า เพราะชาติเป็นปัจจัยชาราและมรณะจึงมีเมื่อชาติไม่มีชาราและมรณะก็ไม่มีชื่อว่าสมมสนญาณปัญญาในการย่อแล้วกําหนดว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเมื่อพบไม่มีชาติก็ไม่มีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเมื่ออุปทานไม่มีพบก็ไม่มีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมี เมื่อตัณหาไม่มีอุปาทานก็ไม่มีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเมื่อตวเวทนาไม่มีตัณหาก็ไม่มีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึง ม, ม, เ ม, ม, มีเมื่อผัสสะไม่มีเวทนจจาก็ไม่มีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเมื่อสลายตระนไม่มีผัสสะก็ไม่มีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมี <S <S เมื found, tofu, right, it, it ่อนามรูปไม่มีสลายตนะก็ไม่มีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเมื่อสังขารไม่มีวิญญาณก็ไม่มีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีชื่อว่าสัมมัญาณ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 ปัญญาในการย่อทำทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันแล้วกําหนดไว้ชื่อว่าสัมมนญาณสัมมณญาณ น, นิเทศที่ห้าจบ6อุทยพยายญาณ น, นิเทศแสดงอุทยพยายญญาปัญญาในการพิจารณาเห็นความแปรผันแห่งทำทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันชื่อว่า อุทยพยานุปัชนาญาเป็นอย่างไรคือรูปที่เกิดแล้วเป็นปัจจุบันลักษณะความบังเกิดแห่งรูปนั้นชื่อว่าความเกิดขึ้นลักษณะความแปรผันไปแห่งรูปนั้นชื่อว่าความเสื่อมปัญญาที่พิจารณาเห็นดังนี้ชื่อว่าอนุปาานัชนาญาเวทนาที่เกิดแล้วสัญญาที่เกิดแล้วสังขารที่เกิดแล้ววิญญาณที่เกิดแล้ว จากขู่ที่เกิดแล้วพบที่เกิดแล้วเป็นปัจจุบันลักษณะความบังเกิดแห่งพบนั้นชื่อว่าความเกิดขึ้นลักษณะความแปรผันไปแห่งพบนั้นชื่อว่าความเสือ่อมปัญญาที่พิจารณาเห็นดังนี้ชื่อว่าอนุปาานัชนาญาณพระโยคาวจรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งเบญจขันย่อมเห็นลักษณะเท่าไหร่เมื่อเห็นความเสื่อมแห่งเบญจขัน ย่อมเห็นลักษณะเท่าไรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งเบญจขั น, นย่อมเห็นลักษณะเท่าไรพระโยโคาวจรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งเบญจขั น, นย่อมเห็นลักษณะยี่สิห้าประการเมื่อเห็นความเสื่อมแห่งเบญจขันย่อมเห็นลักษณะยี่สิห้าประการเมื่อเห็นความเกิดขึ้นและความเสือ่อมแห่งเบญจขันย่อมเห็นลักษณะห้าสิบประการ พระโยคาวจรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งรูปขันย่อมเห็นลักษณะเท่าไรเมื่อเห็นความเสื่อมแห่งรูปขันย่อมเห็นลักษณะเท่าไรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งรูปขันย่อมเห็นลักษณะเท่าไรพระโยคาวจรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนาขันแห่งสัญญาขันแห่งสังขารขัน์แห่งวิญญาณขัน์ย่อมเห็นลักษณะเท่าไร เมื่อเห็นความเสื <Morris unc ons Richard> ่อมแห่งเวทนาขันแห่งสัญญาขัน์แห่งสังขารขัน์แห่งวิญญาณขันย่อมเห็นลักษณะเท่าไรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งวิญญาณขัน์ย่อมเห็นลักษณะเท่าไรพระโยคาวจรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งรูปขัน์ย่อมเห็นลักษณะห้าประการเมื่อเห็นความเสื่อมแห่งรูปขันย่อมเห็นลักษณะห้าประการ เมื่อเห็นความเกิดข <Tibetan grac> <stretching> <native rene> hmm, ึ้นและความเสื่อมแห่งรูปขันย่อมเห็นลักษณะสิทธิประการเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนาขันแห่งสัญญาขันแห่งสังขารขันแห่งวิญญาณขันย่อมเห็นลักษณะห้าประการเมื่อเห็นความเสื่อมแห่งวิญญาณขันย่อมเห็นลักษณะห้าประการเมื่อเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งวิญญาณขันย่อมเห็นลักษณะสิทธิประการ พระโยคาวจรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งรูปประคันย่อมเห็นลักษณะห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งพระโ ย, ยคาวจรย่อมเห็นความเกิดขึ้นแห่งรูปประคันโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าเพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดสองพระโยคาวจรย่อมเห็นความเกิดขึ้นแห่งรูปประคันโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าเพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิด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 พระโยคาวจรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งรูปประคันย่อมเห็นลักษณะห้าประการนี้พระโยคาวจรเมื่อเห็นความเสื่อมแห่งรูปประคันย่อมเห็นลักษณะห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งพระโยคาวจรย่อมเห็นความเสื่อมแห่งรูปประคันโดยความดับแห่งปัจจัยว่าเพราะอวิชชาดับรูปจึงดับ 2. พระโยคาวจรย่อมเห็นความเสื่อมแห่งรูปประคัน โดยความดับแห eh. <JO> ่งปัจจัยว่าเพราะตันหาดับรูปจึงดับ 3. พระโยคาวาจรย่อมเห็นความเสื่อมแห่งรูปประคันโดยความดับแห่งปัจจัยว่าเพราะกรรมดับรูปจึงดับ 4. พระโยคาวาจรย่อมเห็นความเสื่อมแห่งรูปประคันโดยความดับแห่งปัจจัยว่าเพราะอาหารดับรูปจึงดับ 5. พระโยคาวาจรแม้เมื่อเห็นลักษณะแห่งความแปรพัน ก็ย่อมเห็นความเสื่อมแห่งรูปประคันพระโยคาวจรเมื่อเห็นความเสื่อมแห่งรูปประคันย่อมเห็นลักษณะหประการนี้เมื่อเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งรูปประคันย่อมเห็นลักษณะสิประการนี้พระโยคาวจรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนาขันย่อมเห็นลักษณะห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งพระโยคาวจรย่อมเห็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนาขัน โดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าเพราะอวิชชาเกิดเวทนาจึงเกิด 2. พระโยคาวจรณย่อมเห็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนาขันโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าเพราะตัณหาเกิดเวทนาจึงเกิด 3. พระโยคาวจรณย่อมเห็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนาขันโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าเพราะกรรมเกิดเวทนาจึงเกิดสี่ พระโยคาวจรย่อมเห็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนา wa, wed, ขานันโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าเพราะผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิดหพระโยคาวจรแม้เมื่อเห็นลักษณะแห่งความบังเกิดก็ย่อมเห็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนาขันพระโยคาวจรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนาขันย่อมเห็นลักษณะห้าประการนี้พระโยคาวจรเมื่อเห็นความเสื่อมแห่งเวทนาขัน ย่อมเห็นลักษณะห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งพระโยคาวจรย่อมเห็นความเสื่อมแห่งเวทนาขันโดยความดับแห่งปัจจัยว่าเพราะอวิชชาดับเวทนาจึงดับสองพระโยคาวจรย่อมเห็นความเสื่อมแห่งเวทนาขันโดยความดับแห่งปัจจัยว่าเพราะตัณหาดับเวทนาจึงดับ 3. พระโยคาวจรย่อมเห็นความเสื่อมแห่งเวทนาขัน โดยความดับแห่งปัจจัยว่าเพราะกรรมดับเวทนาจึงดับ 4. พระโยคาวจรย่อมเห็นความเสื่อมแห่งเวทนาขันโดยความดับแห่งปัจจัยว่าเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ 5. พระโยคาวจรแม้เมื่อเห็นลักษณะแห่งความแปรพันก็ย่อมเห็นความเสื่อมแห่งเวทนาขันพระโยคาวจรเมื่อเห็นความเสื่อมแห่งเวทนาขัน ย e ่อมเห็นล uh, right right ักษณะห้าประการนี้เมื่อเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งเวทนาขันย่อมเห็นลักษณะสิประการนี้พระโยคาวจรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งสัญญาขันแห่งสังขารขันพระโยคาวจรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณขันย่อมเห็นลักษณะห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งพระโยคาวจรย่อมเห็นความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณขัน โดยความเก Systems, ิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าเพราะอวิชชาเกิดวิญญาณจึงเกิด 2. พระโยคาวจรย่อมเห็นความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณขันโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าเพราะตัณหาเกิดวิญญาณจึงเกิด 3. พระโยคาวจรย่อมเห็นความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณขันโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าเพราะกรรมเกิดวิญญาณจึงเกิดสี่ พระโยคาวจารย่อมเห็นความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณขัน์โดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าเพราะนามรูปเกิดวิญญาณจึงเกิดหพระโยคาวจารแม้เมื่อเห็นลักษณะแห่งความบังเกิดก็ย่อมเห็นความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณขัน์พระโยคาวจรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณขันย่อมเห็นลักษณะห้าประการนี้ พระโยคาวจรเมื่อเห็นความเสื่อมแห่งสัญญาขัน์แห่งสังขารขัน์พระโยคาวจรเมื่อเห็นความเสื่อมแห่งวิญญาณขัน์ย่อมเห็นลักษณะห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งพระโยคาวจรย่อมเห็นความเสื่อมแห่งวิญญาณขัน์โดยความดับแห่งปัจจัยว่าเพราะอวิชชาดับวิญญาณจึงดับสองพระโยคาวจรย่อมเห็นความเสื่อมแห่งวิญญาณขัน โดยความดับแห่งปัจจัยว่าเพราะตันหาดับวิญญาณจึงดับสพระโยคาวจรย่อมเห็นความเสื่อมแห่งวิญญาณขันโดยความดับแห่งปัจจัยว่าเพราะกรรมดับวิญญาณจึงดับสพระโยคาวจรย่อมเห็นความเสื่อมแห่งวิญญาณขัน์โดยความดับแห่งปัจจัยว่าเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับห้า พระโยคาวจร์แม้เมื่อเห็นลักษณะแห่งความแปรพันธ์ก็ย่อมเห็นความเสื่อมแห่งวิญญาณขันธ์พระโยคาวจร์เมื่อเห็นความเสื่อมแห่งวิญญาณขันธ์ย่อมเห็นลักษณะห้าประการนี้เมื่อเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งวิญญาณขันธ์ย่อมเห็นลักษณะสิบประการนี้พระโยคาวจร์เมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งเบญจขันธ์ย่อมเห็นลักษณะยี่สิบห้าประการนี้ เมื่อเห็นความเสื่อมแห่งเบญจคัน์ย่อมเห็นลักษณะยี่สิห้าประการนี้เมื่อเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งเบญจคันย่อมเห็นลักษณะห้าสิบประการนี้ชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการพิจารณาเห็นความแปรผันแห่งธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันชื่อว่า กุทยะพยาณุปัสนาญาณรูปขันธ์มีอาหารเป็นเหตุเกิดขันธ์ที่เหลือคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์มีภัสสะเป็นเหตุเกิดวิญญาณขันธ์มีนามรูปเป็นเหตุเกิดอุทยะพยญ า, า, านิเทศที่หจบ คานุปัสสนาญาณนิเทศแสดงพังคานุปาานัสสนาญาณปัญญาในการพิจารณาอารมณ์แล้วพิจารณาเห็นความดับชื่อว่าวิปาาัสสนาญาณเป็นอย่างไรเพื่อจิตมีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปพระโยคาวจรพิจารณาอารมณ์นั้นแล้วพิจารณาเห็นความดับไปแห่งจิตนั้นพิจารณาเห็นอย่างไรชื่อว่าพิจารณาเห็น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 ย่อมละนิจสัญญาได้เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ย่อมละสุขสัญญาได้เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญาได้เมื่อเบื่อนายย่อมละนันทิความยินดีได้เมื่อคลายกำหนัดย่อมละราคะได้เมื่อทำราคะให้ดับย่อมละสมุทยได้เมื่อสละคืนย่อมละอาทานะความยึดถือได้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 คือพิจารณาเห็นดูความไม่เที่ยงไม่พิจารณาเห็นดูความเที่ยงพิจารณาเห็นดูความเป็นทุกข์ไม่พิจารณาเห็นดูความเป็นสุขพิจารณาเห็นดูความเป็นอนัตตาไม่พิจารณาเห็นดูความเป็นอตตาย่อมเบื่อนายไม่ยินดีย่อมคลายกำหนัดไม่กำหนัดย่อมทําราคะให้ดับไม่ให้เกิดย่อมจละคืนไม่ยึดถือ เมื่อพิจารณาเห็นเดือดความไม่เที่ยงย่อมละนิจสัญญาได้เมื่อพิจารณาเห็นเดืความเป็นทุกข์ย่อมละสุขสัญญาได้เมื่อพิจารณาเห็นเดืความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญาได้เมื่อเบื่อหน่ายย่อมละนันทิได้เมื่อคลายกำหนัดย่อมละราคะได้เมื่อทำราคะให้ดับย่อมละสมุทยได้เมื่อสละคืนยย่อมละอาทานะได้ การก้าวลงสู่อารมณ์การหลีกไปด้วยปัญญาการคำนึงถึงที่มีกำลังชื่อว่าปฏิสังขาวิปัสนาการกำหนดทำสองประการว่ามีสภาวะอย่างเดียวกันกับอารมณ์ปัจจุบันความน้อมจิตไปในความดับชื่อว่าวยะลักษณะวิปัสนาการที่พระโยคาวจรพิจารณาอารมณ์แล้วพิจารณาเห็นความดับแห่งจิต และความปรากฏโดยสุญญะชื่อว่าอธิปัญญาวิปัสนาพระโยคาวจรผู้ฉลาดในอนุ ป, ปัสนาสามและวิปัสนาสี่ย่อมไม่หวั่นไหวเพราะทิฏฐิต่างๆเพราะเป็นผู้ฉลาดในความปรากฏสามประการชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในการพิจารณาอารมณ์แล้วพิจารณาเห็นความดับไปชื่อว่าวิปัสนาญาณพังคานุ ป, ปัสนาญาณ น, นิเทศที่เจ็ดจบแอาทีนวญาณ น, นิเทศแสดงอาทินวญาณปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏด้วยความเป็นภัยชื่อว่าอาทีนวญาณเป็นอย่างไร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 ความตายเป็นภัยความเศร้าโศกเป็นภัยความรำพันเป็นภัยปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏโดยความเป็นภัยว่าความขับแคลนใจเป็นภัยชื่อว่าอาธินวญาณญาในสันติบทว่าความไม่เกิดขึ้นปลอดภัยความไม่เป็นไปปลอดภัยญาในสันติบทว่าความไม่ขับแคลนใจปลอดภัย ญาณในสันติบทว่าความเกิดขึ้นเป็นภยัยความไม่เกิดขึ้นปลอดภยัยความเป็นไปเป็นภัยความไม่เป็นไปปลอดภยัยความคับแค้นใจเป็นภยัยญาณในสันติบทว่าความไม่คับแค้นใจปลอดภยัยปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏด้วยความเป็นภัยว่าความเกิดขึ้นเป็นทุกข์ชื่อว่าอทินวาวญาณ ปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏโดยความเป็นภัยว่าความขับแขนใจเป็นทุกข์ชื่อว่าอาทีนวญาณญาในสันติบทว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นสุขความไม่เป็นไปเป็นสุขญาในสันติบทว่าความไม่ขับแขนใจเป็นสุขญาในสันติบทว่าความเกิดขึ้นเป็นทุกข์ความไม่เกิดขึ้นเป็นสุขความเป็นไปเป็นทุกข์ความไม่เป็นไปเป็นสุข ความคับแค้นใจเป็นทุกข์ญาณในสันติบทว่าความไม่คับแค้นใจเป็นสุขปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏโดยความเป็นภัยว่าความเกิดขึ้นเป็นอามิตรชื่อว่าอาธินวญาณความเป็นไปเป็นอามิตรปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏโดยความเป็นภัยว่าความคับแค้นใจเป็นอามิตรชื่อว่าอาธินวญาณ ญาณในสันติบทว่าความไม่เกิดขึ้นไม่เป็นอามิตรความไม่เป็นไปไม่เป็นอา mith ญาณในสันติบทว่าความไม่คับแค้นใจไม่เป็นอา mith ญาณในสันติบทว่าความเกิดขึ้นเป็นอามิตรความไม่เกิดขึ้นไม่เป็นอามิตรความเป็นไปเป็นอามิตรความไม่เป็นไปไม่เป็นอามิตรความคับแค้นใจเป็นอา mith ญาณในสันติบทว่า ความไม่คับแข็งใจไม่เป็นอามิ t h ปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏโดยความเป็นภ it ัยว่าความเกิดขึ้นเป็นสังขารชื่อว่าอาทินวญาณปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏโดยความเป็นภัยว่าความคับแข็งใจเป็นสังขารชื่อว่าอาทินวญาณญาณในสันติบทว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นนิพพานความไม่เป็นไปเป็นนิพพาน ญาณในสันติบทว่าความไม่คับแค้นใจเป็นนิพพานญาณในสันติบทว่าความเกิดขึ้นเป็นสังขารความไม่เกิดขึ้นเป็นนิพพานความเป็นไปเป็นสังขารความไม่เป็นไปเป็นนิพพานความคับแค้นใจเป็นสังขารญาณในสันติบทว่าความไม่คับแค้นใจเป็นนิพพานการที่พระโยคาวจรเห็นความเกิดขึ้นความเป็นไปนิมิต กรรมเป็นเครื่องประมวลมาและปฏิสนธิว่าเป็นทุกข์นี้เป็นอาทีนวญาณการที่พระโยคาวจรเห็นความไม่เกิดขึ้นความไม่เป็นไปอนิมิตความไม่มีกรรมเป็นเครื่องประมวลมาและความไม่มีปฏิสนธิว่าเป็นสุขนี้เป็นญาณในสันติบทอาทีนวญาณ น, นี้ย่อมเกิดขึ้นในฐานะห้ า, าญาณในสันติบทย่อมเกิดขึ้นในฐานะห้า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 ๙สังขารุเปยขายานนิเทศแสดงสังขารุเปขายานปัญญาที่ปรารถนาจะพ้นไปพิจารณาและดำรงมั่นอยู่ชื่อว่าสังขารุเปขายานเป็นอย่างไรคือปัญญาที่ปรารถนาจะพ้นไปจากความเกิดขึ้นพิจารณาและดำรงมั่นอยู่ชื่อว่าสังขารุเปขายานปัญญาที่ปรารถนาจะพ้นไปจากความเป็นไป พิจารณาและดำรงมั่นอยู่ชื่อว่าสังขารุปเปขาญาณปัญญาที่ปรารถนาจะพ้นไปจากนิมิตจากกรรมเป็นเครื่องประมวลมาจากปฏิสนธิจากขติจากความบังเกิดจากความอุบัติจากความเกิดจากความแก่จากความเจ็บไข้จากความตายจากความเศร้าโศกจากความรำพันปัญญาที่ปรารถนาจะพ้นไปจากความขับแคลใจ พิจารณาและดํารงมั่นอยู่ชื่อว่าสังขารุเปยขาญาณปัญญาที่ปรารถนาจะพ้นไปพิจารณาและดํารงมั่นอยู่ว่าความเกิดขึ้นเป็นทุกข์ชื่อว่าสังขารุเปยขาญาณความเป็นไปเป็นทุกข์นิมิตเป็นทุกข์ปัญญาที่ปรารถนาจะพ้นไปพิจารณาและดํารงมั่นอยู่ว่าความคับแค้นใจเป็นทุกข์ชื่อว่าสังขารุเปขาญาณ ปัญญาที่ปรารถนาจะพ้นไปพิจารณาและดํารงมั่นอยู่ว่าความเกิดขึ้นเป็นภัยชื่อว่าสังขารโรเปขายานความเป็นไปเป็นภัยปัญญาที่ปรารถนาจะพ้นไปพิจารณาและดํารงมั่นอยู่ว่าความคับแคนใจเป็นภัยชื่อว่าสังขารโรคเปรคาญาณปัญญาที่ปรารถนาจะพ้นไปพิจารณาและดารงมั่นอยู่ว่าความเกิดขึ้นเป็นอามิ t ชื่อว่าสังขารุเปขาญาณความเป็นไปเป็นอามิ t h ปัญญาที่ปรารถนาจะพ้นไปพิจารณาและดํารงมั่นอยู่ว่าความคับแค้นใจเป็นอามิ t h ชื่อว่าสังขารุเปขาญาณปัญญาที่ปรารถนาจะพ้นไปพิจารณาและดํารงมั่นอยู่ว่าความเกิดขึ้นเป็นสังขารชื่อว่าสังขารุเปขาญาณความเป็นไปเป็นสังขาร ปัญญาที่ปรารถนาจะพ้นไปพิจารณาและดํารงมั่นอยู่ว่าความคับแค้นใจเป็นสังขารชื่อว่าสังขารรูปเปกขายานความเกิดขึ้นเป็นสังขารยานเพ่งเฉยสังขารเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสังขารรูปเปรคายานแม้ทาสองประการนี้คือสังขารและอุปเบกขาข้อเป็นสังขารยานเพ่งเฉยสังขารเหล่านั้น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 เพราะเหตุนั้นจ er sí hmm. ึงช er ื่อว่าสังขารุเปกขายานการน้อมจิตไปในสังขารุเปกขายานมีด้วยอาการเท่าไรคือการน้อมจิตไปในสังขารุเปกขายานมีด้วยอาการแปดอย่างการน้อมจิตไปในสังขารุเปกขายานของปุถุชนมีด้วยอาการเท่าไรการน้อมจิตไปในสังขารุเปกขายานของพระเศขามีด้วยอาการเท่าไร การน้อมจิตไปในสังขารุเปรคขายานของท่านผู้ปราศจากราคะมีด้วยอาการเท่าไรเพื่อการน้อมจิตไปในสังขารุเปรคขายานของปุถุชนมีด้วยอาการสองอย่างการน้อมจิตไปในสังขารุเปรคขายานของพระเสขะมีด้วยอาการสามอย่างการน้อมจิตไปในสังขารุเปรคขายานของท่านผู้ปราศจากราคะมีด้วยอาการ3าอย่าง การน้อมจิตไปในสังขารุเบขาญาณของปุตุชนมีด้วยอาการสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งปุตุชนย่อมยินดีสังขารุเปขาสองปุตุชนย่อมเห็นแจ้งสังขารุเบขาการน้อมจิตไปในสังขารุเบขาของปุตุชนมีด้วยอาการสองอย่างนี้การน้อมจิตไปในสังขารุเบขาของพระเสกขะมีด้วยอาการสามอย่างอะไรบ้าง คือ 1. พระเสขะย่อมยินดีสังขารุปเปกขา 2. พระเสขะย่อมเห็นแจ้งสังขารุปเปกขา 3. พระเสขะพิจารณาแล้วย่อมเข้าพระสมาบัติการน้อมจิตไปในสังขารุปเปกขาของพระเสขะมีด้วยอาการ3ามอย่างนี้การน้อมจิตไปในสังขารุปเปกขาของท่านผู้ปราศจากราคะมีด้วยอาการ3ามอย่างอะไรบ้าง คือหท่านผู้ปราศจากราคะย่อมเห็นแจ้งสังขารุเปกขา 2. ท่านผู้ปราศจากราคะพิจารณาแล้วย่อมเข้าพระสมมาบัติ 3. ท่านผู้ปราศจากราคะเพ่งเฉยในสังขารุเปกขานั้นแล้วย่อมอยู่ด้วยสุญญาตาวิหารสมาบัติอนิมิตาวิหารสมาบัติหรืออเปนิหิตาวิหารสมมาบัติการน้อมจิตไปในสังขารุเปกขา ของท่านผู้ปราศจากราคะมีด้วยอาการสามอย่างนี้การน้อมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุตุชนและของพระเสขะเหมือนกันอย่างไรคือปุตุชนผู้ยินดีสังขารุเปกขาจิตย่อมเศร้ามองความเศร้าหมองนั้นเป็นเครื่องกีดขวางต่อภาวนาเป็นอันตรายต่อปฏิเวทเป็นปัจจัยแห่งปฏิสนธิสืบต่อไป แม้พระเสขาผู้ยินดีสังขารุเปกขาจิตก็ย่อมเศร้ามองความเศร้ามองนั้นเป็นเครื่องกีดขวางต่อภาวนาเป็นอันตรายต่อปฏิเวทในมรรคชั้นสูงเป็นปัจจัยแห่งปฏิสนธิสืบต่อไปการน้อมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชนและของพระเสขะเหมือนกันโดยสภาวะแห่งความยินดีอย่างนี้การน้อมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสกขาและของท่านผู้ปราศจากราคะเหมือนกันอย่างไรเพื่อปุถุชนย่อมเห็นแจ้งสังขารุเปขาทั้งโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแม้พระเสกขาก็เห็นแจ้งสังขารุเปขาทั้งโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแม้ท่านผู้ปราศจากราคะก็เห็นแจ้งสังขารุเปขาทั้งโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา การน้อมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชนของพระเสขะและของท่านผู้ปราศจากราคะเหมือนกันโดยสภาวะแห่งการพิจารณาเห็นอย่างนี้การน้อมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชนของพระเสขะและของท่านผู้ปราศจากราคะต่างกันอย่างไรคือสังขารุเปกขาของปุถุชนเป็นกุศลแม้ของพระเสขะก็เป็นกุศล แต่ของท่านผู้ปราศจากราคะเป็นอัพยกฤิตการน้อมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุตุชนของพระเะะขระส ข, ข, ข, ข ะ, ะและของท่านผู้ปราศจากราคะต่างกันโดยสภาวะเป็นกุศลเป็นอัพยกฤิตอย่างนี้การน้อมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุตุชนของพระเสขะและของท่านผู้ปราศจากราคะต่างกันอย่างไร สังขารุปเปกขาของปุตุชนบางคราวปรากฏชัดบางคราวไม่ปรากฏชัดแม้สังขารุปเปกขาของพระเสขะบางคราวก็ปรากฏชัดบางคราวไม่ปรากฏชัด ส, สังขารุปเปกขาของท่านผู้ปราศ จ, จากราคะย่อมปรากฏชัดโดยส่วนเดียวการน้อมจิตไปในสังขารุปเปกขาของปุตุชนของพระเสขะและของท่านผู้ปราศจากราคะ ต่างกันโดยสภาวะที่ปรากฏกับสภาวะที่ไม่ปรากฏอย่างนี้การน้อมจิตไปในสังขารุปเปขาของปุตุชนของพระเสขะและของท่านผู้ปราศจากราคะต่างกันอย่างไรคือปุตุชนย่อมเห็นแจ้งเพราะเป็นผู้ยังไม่เสร็จกิจจากสังขารุเปขาแม้พระเสขะย่อมเห็นแจ้งเพราะยังไม่เสร็จกิจจากสังขารุปเปขาส่วนท่านผู้ปราศจากราคะ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 เือปุตุชนย่อมเห็นแจ้งสังขารุเปขาเพื่อละสังโยชสามเพื่อต้องการได้โสดาปฏิมักพระเสสะย่อมเห็นแจ้งสังขารุเปขาเพื่อต้องการได้มักชั้นสูงขึ้นไปเพราะเป็นผู้ละสังโยสามได้แล้วท่านผู้ปราศจากราคะย่อมเห็นแจ้งสังขารุเปขาเพื่อต้องการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะเป็นผู้ละกิเลทั้งปวงได้แล้ว การ น, น้อมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชนของพระเสขะและของท่านผู้ปรชาชจากราคะต่างกันโดยสภาวะที่ละกิเลสได้กับสภาวะที่ยังละกิเลสไม่ได้อย่างนี้การ น, น้อมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระเสขะและของท่านผู้ปรชาชจากราคะต่างกันอย่างไรเพื่อพระเสขะยินดีสังขารุเปกาบ้าง เห็นแจ้งสังขารูปเปขคาบ้างพิจารณาแล้วเข้าพระสมมาบัตบ้างท่านผู้ปราชจากราคะเห็นแจ้งสังขารูปเปขคาบ้างพิจารณาแล้วเข้าพระสมมาบัตบ้างเพ่งเฉยสังขารูปเปขคานั้นแล้วอยู่ด้วยสุญญตวิหารสมมาบัตอนนมิตะวิหารสมมาบัตหรืออปนิหิตะวิหารสมมาบัตการน้อมจิตไปในสังขารูปเปราของพระเสขะ และของท่านผู้ปรสจากราคะต่างกันโดยสภาวะแห่งวิหารสมาบัติอย่างนี้